เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมวันนี้บรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปฉะนั้นวันนี้จะพูดในหัวข้อเรื่องว่าภละคือธรรมเป็นกําลังห้าอย่างหนึ่งศรัทธาภละกําลังคือความเชื่อ สวุริยภละกำลังคือความเพียรสสติพละกำลังคือความระลึกได้าสมาธิภละกำลังคือความตั้งใจมั่นห้าปัญญาภละกำลังคือความรอบรู้ทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่ารรมเป็นพลังห้าอย่างและบางที่ก็เรียกว่าอินทรีห้า เรียกว่าอินทรีห้าก็เพราะว่าเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนจึงเรียกว่าอินทรีห้าเพราะคําว่าอินทรีย์นี่ก็แปลว่าเป็นเป็นใหญ่อินทะรีย์นี่เป็นใหญ่แต่ละอย่างนั้นก็เพราะว่าเป็นใหญ่ในกิจของตนของตนนะทีนี้คําว่ากําลังเนี่ยมีอยู่สองประเภทคือกําลังกายกับกําลังใจนะในกําลังสองประเภทนั้นกําลังกายจะเกิดขึ้นก็เพราะร่างกายประกอบด้วยความสมบูรณ์ ส่วนกําลังใจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะใจประกอบด้วยคุณธรรมนะคุณธรรมอันหนึ่งในกําลังสองประเภทนั้นกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะร่างกายมิได้รับการบารุงมีกําลังเกิดขึ้นแล้วก็จะประกอบกิจการงานอะไระจกแข็งแรงเป็นการเป็นงานหรือไม่ย่อมแล้วแต่กําลังใจถ้ากําลังใจแข็งแรงกําลังกายก็แข็งแรงไปด้วย ถ้ากําลังใจอ่อนแอก็พลอยอ่อนแอไปด้วยนะเป็นไปตามกันฉะนั้นกําลังใจจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะที่จะเพิ่มพูนกําลังกายให้มากขึ้นหรือว่าให้สมกับกําลังกายที่มีอยูนะ่ก็ร่างกายที่จะมีกําลังเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยเครื่องบํารุงฉันใดแม้ใจจะมีกําลังก็ต้องอาศัยเครื่องบํารุงเลี้ยงอรอเลี้ยงฉันนั้นเหมือนกันนะ เรียกว่าทั้งสองอย่างนี้จะต้องพึ่งพาอาศัยกันนะพิ่งเห็นตัวอย่างดังนี้เมื่อเมื่อมีคนชวนให้เราไปเที่ยวด้วยกันในที่ใดๆนะถ้าเราถ้าที่นั้นเราไม่อยากไปนะใจเราก็หย่อนร่างกายก็อ่อนเพลียกว่าจะถึงรู้สึกเบือ่อแล้วก็เหนื่อยหนายนะเหนื่อยยากนะมีอาการอึดอัดท้อแท้ไม่มีแรง ที่จะกระตุ้นให้เดินหรือว่าให้เพลิดเพลินใจไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกเป็นเกิดความไม่รู้สึกที่ว่าเป็นสนุกสนานนะอย่างนี้รู้สึกก็เบื่อแต่ว่าถ้าที่นั้นรู้สึกว่าเราอยากไปนะเราอยากไปเราอยากรู้อยากเห็นใจของเราก็เกิดความกระตือรือร้นนะใจเราก็มีแรงเดินเพลิดเพลินไม่รู้สึกเป็นเหนื่อยยากในตัวเรานี้จะเห็นได้ว่า ความอยากไปในที่นั้นเป็นตัวกําลังแม้ในการทําความดีความชอบก็เหมือนกันต้องมีกําลังใจนะจึงจะทําได้ดีเต็มที่เพราะฉะนั้นกําลังใจจึงเป็นสิ่งที่ควรบําเพ็ญ น, นะต้องทําให้มีขึ้นสิ่งที่เป็นตัวกําลังใจนั้นเราเรียกว่าพละซึ่งแปลว่าทำเป็นกําลังมีห้าประการนะมีห้าด้วยกันฉะนั้นกําลังกายกับกําลังใจนี้ นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายจงนึกอยู่เสมอว่าคนโบราณเขาพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาใจเป็นนายกายเป็นเบาฉะนั้นใจเนี่ยเป็นหัวหน้าใจเป็นหัวหน้าจะทำอะไรจะพูดอะไรก็สาเร็จที่ใจทั้งนั้นอยู่ที่ใจทั้งนั้นเลยฉะนั้นใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำให้ทำอะไรก็ได้ให้ฆ่าคนก็ได้ ให้ลักของเขาก็ได้ให้ประพฤติผิดประเวณีก็ได้ให้พูดคำหยาบก็ได้ให้พูดโกหกก็ได้ให้พูดเพิเจอพูดซอเสียดได้ทางนั้นเลยนะฉะนั้นใจนี่แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญพูดถึงกายกับใจแล้วจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้าหากว่าร่างกายดีเนแต่ว่าใจไม่ดีมันก็การปฏิบัติทำการทำงานก็ไม่เป็นไปด้วยดีถ้ากาลังใจดีกาลังกายไม่ดีอ่อนแอมีโรคภยัยไข้เจ็บเบียดเบียน การดำเนินชีวิตก็ไม่เป็นไปด้วยดีอีกเช่นกันนะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้จึงต้องให้เป็นไปพอเหมาะพอควรกันทั้งกายและใจก็ต้องมีอาหารด้วยกันทางกายก็คือได้รับอาหารคือปัจจัยสีนะ่อาหารพวกข้าวน้ำเสื้อผ้าอาภรณ์ต่นสบายที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรคนะเราต้องคอยประคับประมงหรือว่าต้องคอยบำรงคอยบริหารกันเรื่อยนะเพราะว่า อาหารที่เรารับประทานไปนั้นมันก็ไปซ่อมแซมสวนที่สึกหรอในส่วนร่างกายนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของจิตใจเหมือนกันคนเรานั้นแม้ว่าเราจะรับประทานอาหารสมบูรณ์สักปานใดแต่ถ้าหากว่าใจไม่มีคุณธรรมแล้วใจของเรานั้นก็เดือดร้อนใจของเราก็กรงวนกระวายใจของเราก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษหรือบางทีก็ทาให้ใจของเรานั้นเกิดความดิ้นรนกัดแกง เกี่ยวกับเรื่องถูกตันหาครอบงำทําให้เกิดอทยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสหรือว่าอยากเป็นโน่นอยากเป็น น, ôn, น, นี่อยากไม่เป็นโน่นอยากไม่เป็นนี่ติดอยู่ตลอดเวลาห่วงอยู่ตลอดเวลาเนีนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าเรื่องอกําลังใจนั้นเราก็ต้องบํารุงอาหารของใจก็คือว่าอธรรมธรรมนั่นเองตัวธรรมะนี่แหละถือว่าเป็นอาหารใจฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้น จงจงมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมนะจิตใจประกอบไปด้วยคุณธรรมฉะนั้นในข้อแรกที่บอกว่าสัทธาภละนะกำลังคือสัทธานะข้อแรกบอกว่ากําลังคือสัทธาฉะนั้นสัทธานแปลว่าความเชื่อนะสัทธาแปลว่าความเชื่อ บุคคลจะประกอบการงานอย่างหนึ่งอย่างใดยากก็ตามง่ายก็ตามในเบื้องต้นต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อก่อนคือเชื่อถือในการงานนั้นว่าเป็นงานที่มีประโยชน์จริงๆไม่ใช่ไร้ประโยชน์ทีเดียวหรือว่ามีประโยชน์น้อยเป็นการงานที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คนที่ได้ลงทุนลงแรงหรือว่าต้องเสียกําลังกายกําลังใจหรือว่าเสียแรงทรัพย์ลงไป นะีอันนี้เราก็ต้องมีความเชื่อแล้วก็เชื่อใจในตัวในการที่เรากระทําว่ามันจะต้องเกิดผลประโยชน์นะเกิดผลประโยชน์เอให้แก่เราที่ที่เรามุ่งหวังที่เราตั้งใจไว้ได้นะฉะนั้นอันนี้แหละถึงว่าเป็นตัวกําลังคนเราถ้าหากว่าไม่มีความเชื่อในกิจที่ทําคําที่พูดแล้วมันก็หมดกําลังนะหมดกําลังฉะนั้นแล้วก็ทําให้เรานั้นเกิดความท้อถอยนะเรียกว่าหมดกําลังใจ นะไม่อยากจะทําอีกแล้วอืมแต่ว่าถ้ากําลังใจมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ย่อมชักพาให้เรานี้ประกอบการงานต่างๆโดยไม่รีรอนะหรือว่าแต่ก็อาจจะท้อใจได้นะอาจจะท้อใจได้ทําให้เรานั้นหมดความสามารถก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเกลียดคร้านนะซึ่งตัวเองนั้นเคยได้รับการสะดวกสบายทุกสิ่งอย่างแต่ว่าพอ ตั้งจิตตั้งใจจะทําอะไรมาก็มีอุปสรรคเสแล้วก็ทําให้เกิดเ อ, อหมดกําลังใจรู้สึกว่ามันก็เลยเฉื่อยชาไปนะไม่อยากทําอันนี้แหละก็เป็นทางที่เราควรจะหาทางป้องกันแต่ว่าถ้าเรามีศรัทธามั่นคงแล้วแน่นอนที่สุดเราจะทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าศรัทธาสาธุปฏิติตาคนเราถ้ามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วจะทําอะไรก็สําเร็จแต่ถ้าหากว่ามีศรัทธาไม่ตั้งมั่นแล้วทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะ ทำอะไรก็ไม่สําเร็จฉะนั้นขอให้มีศรัทธาเป็นเบื้องแรกนะข้อนี้จึงสําคัญทีนี้คําว่าศรัทธานั้นเชื่ออะไรนอกจากเชื่อในกิจที่ทำคําที่พูดแล้วก็คือว่าต้องอเชื่อในสิ่งที่ดีที่งามถ้าว่าเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่มีเหตุไม่มีผลก็ทําให้เป็นคนเรียกว่ามีศรัทธาวันไหวนะเกิดความท้อถอยง่ายศรัทธ า, าอย่างนี้ก็คือว่าไม่กล้าลงทุนทําความดีอะไรเลยนะ อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะถือว่าใช้ไม่ได้ฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงเป็นผู้มีศรัทธาถือความเชื่อมั่นในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อเรื่องกรรมนะเชื่อเรื่องการกระทำว่าคนเรานั้นจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทำเชื่อเรื่องผลของกรรมนะเรื่องผลของกรรมเชื่อว่าคนเรานั้นทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วนะ แล้วก็เชื่อว่าสัสตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเพราะว่าทุกคนนั้นทํากรรมอย่างไรไว้ก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นมีกรรมเป็นทา ย, ยาิมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพอ้อมมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยนะทํากรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีทํากรรมชั่ ว, วก็ย่อมได้รับผลชั่วเนีต้องคิดอย่างนั้นเอ่และประการสุดท้ายก็คือว่าให้เชื่อพระปรีชาญาณของพระตถาคตว่าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆริ และพระองค์นั้นได้ตรัสรู้อริยสัจสี่นะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างก็คือได้ว่าได้ตรัสรู้ว่าทุกข์นั้นมีจริงเหตุให้เกิดทุกข์มีจริงความดับทุกข์มีจริงหนทางให้ถึงความดับทุกข์มีจริงนะเราเชื่ออย่างนี้แหละก็จะทำให้เรานั้นมีศรัทธามั่นคงในทางพระพุทธศาสนานะในทางพระพุทธศาสนาไม่กลับลอกไม่หวนไหว อย่างนี้ก็ใช้ได้นะอย่างนี้ก็ใช้ได้ฉะนั้นอันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นเรื่องของศรัทธานะฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นลองคิดดูว่าศรัทธานี่แหละเป็นสะพานที่จะเชื่อมโยงให้เรานั้นข้ามพ้นวัฏฏสงสารได้นะยิ่งไปกว่านั้นศรัทธานยังเป็นเพื่อนที่จะควกคู่ในการดำเนินชีวิตของคนเราไปทุกขนทุกแห่งนะถ้าเราดารงชีวิตโดยปราศ จ, จากศรัทธา แน่นอนที่สุดได้กิจที่ทำคำที่พูดนั้นก็รู้สึกว่าจะเจือจางลงไปทำให้เรานั้นไม่มีความมั่นคงนะไม่มีความมั่นคงจะทำอะไรก็เกิดลังเลสงสัยเกิดวิตกวิจาร์มากนะอันนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเราก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอย่างนี้ก็ไม่ดีฉะนั้นนี่แหละคือตัวศรัทธาประการที่สองอวิริยะนะ วิยะพละก็คือกําลังคือความเพี่ยนกําลังคือความเปลี่ยนคนเรานั้นถ้าหากว่ามีความเพียนแล้วก็แน่นอนที่สุดทําอะไรก็มักจะสําเร็จทุกอย่างแต่ว่าความเพียนนั้นก็ต้องให้พ้อมเหมาะกับกําลังของตนพรพอมเหมาะกับกําลังของตนถ้าหากว่ามันเพียนซะจนเกินพอดีไปแน่นอนที่สุดมันก็อาจจะเกิดทุกเกิดโทษได้เกิดทุกเกิดโทษได้เอฉะนั้นเราจะต้องเพียรให้อยู่ในขอบเขต ต้องเพียรให้อยู่ในขอบเขตเพียรให้อยู่ในขอบเขตคือเพียรยังไงก็เพียรในกิจที่ทำคำที่พูดเราทำอะไรก็พยายามนะพยายามขวนขวา ย, ยตัวเพียรเนี่ยคือตัวตัวกล้าทาให้คนเรามีความกล้วกล้ า, ล า, ใ, ห า, า, าให้มีความอาจฐานนะให้มีความอาจฐานคนถ้ามีความกล้ากล้าในการประกอบคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่กลัวจะเหน็ดเหนื่อยยากไม่กลัวจะลำบากแล้วก็ไม่อ้างว่า หนาวออกจะตายไปร้อนออกจะกตายไปเอเย็นออกจะกตายไปออย่างนี้คือคนที่มักอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเก็นนักเนี่ยเป็นคนที่ไม่ ก, กล้าเป็นคนที่ไม่มีความเพียรเป็นคนที่กลัวตายอันนี้แหละเอคนประเภทนี้มักทําอะไรก็ผัดวันประกันพรุ่งผัดวันประกันพรุ่งทําอะไรไม่ค่อยสําเร็จอในกิจนั้นๆฉะนั้นขอให้เราทุกคนอย่าอย่าได้เป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง พระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าอุทษาตาวินตเตทนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้นะเวเดเยนทุกขมัดเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรนี่อันนี้เห็นชัดเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงทําความเพียรนะทําความเพียรเพื่อบำเพ็ญพระสัมมาสัมโพธิญาณในตั้งหกปีกว่าจะได้บรรลุนะกว่าจะได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงอย่างนี้ฉะนั้นที่เราว่าเพียรเพียรกันเนี่ยมันยังไม่ได้เพียรมากเลย เพียงนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่ได้เสี้ยวของที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราลงศึกษาคนที่เขามีความเจริญในชีวิตในการประกอบกิจทํานาทําไร่ทําสวนหรือค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างธุรกิจต่างๆเพราะเขามีความพยันหมั่นเพียรพยันหมั่นเพียรนี่แหละเฉะนั้นพระพุทธพระองค์จึงได้ตรัสไว้เลยว่าคนจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเป็นชาวนาก็เรียกว่าพ้นทุกข์ของชาวนาได้ เป็นชาวสวนก็พ้นทุกของความเป็นชาวสวนเป็นชาวไร่ก็พ้นทุกของความเป็นชาวไร่ ai. นะรับประจักษการทำมาค้าขายอะไรก็เรียกว่าพ้นทุกในทางรับปราจการหรือว่าทำมาค้าขายทุกสิ่งทุกอย <c oughs> ่างเรียกว่าเราก็จะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนนะแต่ที่เราทำนาทำไร่ทำสวนที่มันเป็นทุกข์ก็คือเราไม่พอกินนะทำแล้วไม่พอกินทำแล้วรู้สึกว่าไอ้เงินทองหรือผล ลิตต่างๆนั้นมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยให้นะแน่นอนที่สุดแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนไม่ใช่เฉพาะตัวเราก็เนื่องไว้ถึงครอบครัวของเราเมื่อหลายๆคนเป็นอย่างนี้แน่นอนที่สุดระบบการในเรื่องสังคมของเราก็พลอยแย่ไปด้วยนะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทุกคนมีความเพียรในหน้าที่ของตนนะเพียรสร้างคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนแล้วก็ให้เหมาะสมกับกําลังของตนแน่นอนที่สุดตัวเองก็ จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่มีความขยันหมั่นเพียรแล้วแน่นอนที่สุดเราก็หมดกํำลังนะหมดกํำลังคือคนไม่มีความเพียรนเรียกว่าหมดกํำลังคนย่อหย่อนนะเกิดความอท้อถอยนะไม่สู้เอนะไม่กล้านะเรียกว่าคนไม่กล้าฉะนั้นคนเราถ้าเป็นคนกล้าแล้วก็นั่นแหละคือคนที่จะทําอะไรสําเร็จเราจะเห็นว่าดูพวก บรรดาวีรชนต่างๆวีรบุรุษวีรสตรีของโลกหรือว่าของประเทศไทยเรานี่เพราะมีความกล้าไอ้ตัวกล้านี่แหละตัวมีความเพียรนะหรือว่าเท้าสุรนารีคุณหญิงโมนี่นางได้มีความเพียรมีความกล้าหารเด็ดเดี่ยวสามารถกอบกู้ประเทศชาติได้หรือว่าเท้าเทพสตรีเท้าศรีสุนทรนี่นางก็มี ใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะสองพี่น้องสามารถก็กำดาบต่อสู้กับอริราชศัตรูให้พ่ายแพ้พินาศไปได้อช่วยกู้เอเมืองถลางไว้ได้นี่หรือว่าสมเด็จพระนเรสวนมหาราชอพระเจ้าตากสินมหาราชอะไรนี่พระปิยะมหาราชอะไรนี่ที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าล้วนแต่เรียกว่าเป็นอผู้มีความแ ก, กล้ า, าหาญเหนือกว่าคนธรรมดาสามัญ ฉะนั้นนี่เนี่ยประเทศไทยของเราจึงได้อยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าพ้นปากเหยียบปากามาได้ก็เพราะความกล้าหาญชันชัยของผู้นำนะของผู้นําโดยเฉพาะของพวกเราทั้งหลายหมายถึงประชาชนในประเทศนั่นเองจะต้องมีความกล้ามีความเสียสละเพื่อจะปกป้องประเทศชาตินะและต้องมีความกล้าที่จะประกอบกิจการงานต่างๆน้อยใหญ่ตามหน้าที่ของตนโดยไม่หวาดวัน่นพรั่นพรึงต่อความ เหนื่อยยากลําบากทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละก็จะทําให้เศรษฐกิจนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองประเทศของเราก็จะมีความเข้มแข็งนะทุกคนภายในประเทศเป็นคนมีกําลังกายและกําลังใจดนะีนี่เป็นเรื่องของอวิริยะพละคือกําลังคือตัวความเพียรประการที่สามก็คือตัวเรียกว่าสติพละ คือกำลังคือความระลึกได้กำลังคือความระลึกได้ตัวสติที่ถือว่าเป็นกำลังมากเป็นกำลังมากเป็นกำลังมากอย่างไรคือหมายว่าธรรมดาของการทำความเพียร น, นะเมื่อได้ทำความพยายามบากบันในการงานา น, า น, านั้นแล้วย่อมพบความขัดข้องในระหว่างซึ่งเป็นธรรมดาของการทำงานในโลกต้องมีอุปสรรคก็บอกว่า คนที่ไม่มีอุปสรรคเลยก mm ็คือคนที่ไม่ได้ทํางานนะแต่ว่าคนทํางานนั้นจะต้องมีอุปสรรคนะอุปสรรคนั่นแหละทําให้เรามีความได้ศึกษาได้รอบรู้ในกิจที่ทำคำที่พูดไว้ได้ด้วยดีนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ทํางานมาก่อนแน่นอนที่สุดเราก็จะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคไม่มีอะไรเป็นผิดพลาดฉะนั้นที่เราทําอะไรผิดพลาดนั้นเพราะเราทํางานคนทํางานต้องมีอะไรผิดพลาดต้องมีคลื่นต้องมีอุปสรรค อจึงมีเป็นคำคมว่าทะเลงามยามเห็นต้องเป็นคลื่นชีวิตจะราบรื่นต้องมีอุปสรรคต้องมีอุปสรรคก็หมายความว่าทะเลเนี่ยเวลามันเป็นคลื่นแล้วดูมันสวยงามดีดูมันสวยงามดีมันเป็นคลื่นเป็นระลอกอจับแสงจันทร์จับแสงอะไรเวลาเราไปดูแล้วก็มันเป็นเป็นเงางามว่างั้นเถอะนั้นชีวิตของเราเหมือนกันะที่มีอุปสรรค SM นั่นแหละจะทําให้ชีวิตราบรื่นแต่ถ้าคนไม่เคยประสบอุปสรรคเลชีวิตจะราบรื่นไม่ได้ เมื่อประทบกับสิ่งที่ตนไม่ปรารถนาไม่พอใจนตนเองก็จะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทันทีแต่คนที่ได้เอผ่านความลําบากมามากแล้วลงทุนทำในสิ่งที่มีประสักมามากแล้วฉะนั้นคนผู้นี้จะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความผาุกยังมีความรับรื่นและเขาจะไม่หวัดหวั่นท่านเพิงในอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่มาขวางหน้านะฉะนั้นอ่าเมื่อ เมื่อเราทุกคนประสบความขัดข้องเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีสติคอยควบคุมไว้ใจก็ไม่ควรแก่การงานนะคือยอมสละการงานนั้นเสียได้โดยง่ายไม่ดำริที่จะหาอุบายเพื่อผ่อนผันไม่คิดหาทางที่จะบรรเทาแก้ไขให้หลุดพ้นจากความขัดข้องนั้นได้นะยิ่งไปกว่านั้นก็จะทำให้เลิกละเสียนะเพราะอะไรเพราะไม่มีกำลังคือสตินั่นเอง แต่เมื่อเป็นเช่นนี้การงานนั้นแน่นอนที่สุดก็ย่อมไม่สำเร็จตามที่ตนได้มุ่งมา่ปรารถนานะด้วยเหตุนี้ในลำดับที่สามรองจากความเปลี่ยนจึงต้องอาศัยสติด้วยอีกข้อหนึ่งนะเพราะเป็นคุณธรรมที่คอยควบคุมใจให้เป็นไปในการงานนะคอยตักเตือนใจไม่ให้ท้อแท้ในเมื่อประสบความขัดข้องหรือมีอุปสรรคคอยกระตุ้น ให้เกิดความกระตือรือร้อนในการหาอุบายผ่อนผันหาวิธีแก้ไขอ่ม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นสติยังเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้งานนั้นพลาดพลั้งไปได้ไม่ให้งานนั้นผิดพลาดไปได้ไม่ให้งานนั้นต้องอบกพร่องอทั้งเป็นเหตุให้จดจำและก็ให้ระลึกได้ในการงานที่ได้ทํามาแล้วเพื่อเป็นเครื่องอุดหนุนการงานที่จะทาต่อไปข้างหน้าอีกด้วยรวมความว่า มติเป็นสติเป็นเครื่องทําใจให้ควรแก่การงานนะสติคือความระลึกหน้าจึงเป็นกําลังนะจึงเป็นกําลังสําคัญแต่นั้นคนที่มีสตินี้พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสติโลกัสสมิชาคารโอนะสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกนะเครื่องตื่นตื่นกายตื่นใจนะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่คนไม่มีสติหรือคนขาดสตินะั่นคือคนที่หลับนะคนที่หลับอันนี้แน่นอนที่สุด ไอ้คนขาดสติก็คนประมาทคนประมาททําอะไรก็อผิดลาดพลั้งพลาดเผลอไห ล, ลนะมัวเมาล่มหลงอนี่แต่ว่าถ้ามีสติมันตื่นตัวตื่นใจคอยระวังอยู่เลยฉะนั้นสตินี่แหละจึงเป็นตัวห้ามหรือเป็นตัวป้องกันไม่ให้ความชั่วเข้ามาเกิดขึ้นไม่ให้ความหายนะเข้ามาเกิดขึ้นไม่ให้ความผิดพลาดไม่ให้ความเสียหายเข้ามาบังเกิดขึ้นฉะนั้นจึงบอกว่า สตินี่แหละจึงเป็นกําลังอันสำคัญในการที่ให้เราทำอะไรด้วยความรอบคอบนะทำความรอบคอบสํารวมระวังนะอยู่ตลอดเวลาในกิจที่ทำคำที่พูดนะนี่เป็นเรื่องของสติมาประการที่สามก็คือตัวประการที่สี่ก็คือตัวสมาธิพละกาลังคือสมาธินะกาลังคือสมาธิคือหมายความว่า คนเรานั้นนะคนเราทุกคนนั้นยังที่บอกไว้แล้วว่าการทําอะไรนั้นมันก็ต้องมีการผิดพลาดเป็นธรรมดานะมีการผิดพลาดอ่าเป็นธรรมดาของใจเราแม้อยู่ในความปกป้องรักษาหรือว่าอุปธรรมบํารุงของสติแล้วก็จริงดังนั้นบางคราวสติก็เอาไว้ไม่อยู่เพราะใจมีอํานาจมากนะถึงเวลาดีก็ดีอยู่ถึงเวลาร้ายขึ้นมาสติก็สติเถอะบางครั้งก็ผิดพลาดได้ ไม่ต้องเกรงขามทีเดียวนะอาจจะทําอะไรไปด้วยความ อ, อขาดความยั้งคิดนะขาดความยั้งคิดจะรู้เท่าไม่ถึงการนะะนั้นสติ อ, อซึ่งเป็นผู้คุมนะผู้คุมมีอะไรที่มันจะพลัง้งจะพลาดจะเผลอจะไหลสติก็ป้องกันเอาไว้เมื่อสติพลัง้งเออเผลอๆเสียแล้วใจก็ย่อมฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านเรียกว่าทําให้เสียกําลังใจ นะทําให้เสียกําลังใจใจฟุ้งซ่านแพร่งพลายไปหลายทางใจที่มันคิดไปหลายทางนั่นแหละคือใจที่ที่อ่อนแอไม่มีกําลังมั่นคงเหมือนกับน้ําน้ําที่มันไหลไปหลายทางหลายสายนะมันจะมีกําลังอ่อนแต่ถ้าน้ําอันไหนมันไหลไปสายเดียวแล้วก็มันจะมีกําลังแรงนะจะมีกําลังแรงมากฉะนั้นจะบอกว่าใจที่ฟุ้งซ่านก็ย่อมจะแพร่งพลายไปหลายทางไม่เป็นอันธทม หรือว่าไม่เป็นอันที่จะดํำริติตรองการงานที่ตนทํานั้นๆเอการงานนั้นย่อมไม่ถึงซึ่งความสําเร็จได้ด้วยเหตุนั้นในลําดับที่สี่ของทิตย์ต่อจากสติจึงต้องใช้ตัวสมาธิเพราะว่าเป็นคุณธรรมในการทําให้จิตใจมั่นคงไม่ฟลุงซ่านให้เป็นไปสม่ําเสมอด้วยอาการอันแน่วแน่ไม่ให้จิตใจคิดแพร่ไปในอารมณ์อื่นทุกอย่างทุกสิ่ง ให้ดิ้งอยู่แต่ในการงานนั้นๆเมื่อเป็นเช่นนี้การงานที่ตนทำคําที่ตนพูดก็นับได้ว่าก้าวสู่ความสําเร็จก้านวะสู่ความสําเร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่าสตินี่แหละตัวตั้งใจมัน่นะตั้งใจมัน่นแต่ที่เราไม่มีกําลังคือเอตัวสมาธิเนี่ยคือตัวตั้งใจมัน่นะถ้าหากว่าคนเราถ้าใจมันไม่มัน่นแล้วก็แน่นอนที่สุดมันก็อ่อนกําลังนะอ่อนกําลังจะหมดกําลัง ฉะนั้นเราจึงต้องมีตัวสมาธิ เ, พ, เพื่ อ, อควบคุมสติ <c oughs> เพื่อควบคุมจิตใจให้มีความมั่นคง น, นะให้มีความมั่นคงคนเราถ้ามีใจมั่นคงแล้วแน่นอนที่สุดก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่ที่เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความไม่มั่นจริงนั่นเพราะใจไม่มั่นคงเพราะใจไม่ผ่องใสนะเพราะใจไม่แน่วแน่เพราะใจไม่แนบแน่นแต่ที่ใจแน่วแน่แนบแน่นนั้น นั่นแหละคือเรียกว่าเป็นกําลังของสมาธินั่นเองนะเป็นกําลังของสมาธิฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นพยายามฝึกกําลังคือสมาธิพยายามทําจิตใจให้สงบอยา่าให้จิตใจฟุ้งซ่านเกิดความรําคาญใจในอารมณ์ต่างๆนะถ้าหากว่าเราสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคอยประคับประคองให้ทุกสิ่งทุกอย่างมารวมอยู่ที่ใจนะให้มาลงในสมาธิแน่นอนที่สุดก็จะทําให้เรานั้น มีพละกำลังในเรื่องสมาธิอย่างมั่นคงแข็งแรงอาจหานที่จะต่อต้านในกิจการงานที่ทำให้สำเร็จตัวล่วงไปได้ด้วยดีนะอันนี้เป็นเรื่องของอสมาธินะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีสมาธิคือการตั้งใจมั่นแล้วก็ไม่ใช่ว่าะจะทำอะไรสำเร็จทุกอย่างไปหมดก็หาไม่เพราะยังขาดตัวปัญญาอ่าฉะนั้นในข้อสุดท้ายก็คือ ปัญญาภะกําลังคือปัญญานะกําลังคือความรอบรู้นะนะความรอบรู้เพราะคนเราถ้าขาดปัญญาแล้วแน่นอนที่สุดบางครั้งก็ทําให้ขาดเหตุขาดผลนะขาดเหตุขาดผลนะฉะนั้นเพราะตัวปัญญาจึงตัวเป็นกําลังอันสําคัญที่สุดในกําลังทั้งห้าเพราะฉะนั้นในอันดับที่ห้ารองจากสมาธินั้นจึงต้องประกอบด้วยปัญญานะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะตัดสินพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้ รู้จักรับผิดชอบชั่วดีได้นให้รับผิดชอบชั่วดีได้เพราะเป็นคุณธรรมที่ทําให้เป็นผู้ฉลาดสามารถรอบรู้ mm hmm. อคุณธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมีปรีชาอย่างรู้เหตุแห่งความเสื่อมและรู้เหตุแห่งความเจริญให้ดําเนินการงานของตอนนั้นพ้นจากความชั่วความเสียหายให้ดําเนินไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบเมื่อเป็นช่น้นนี้การงานที่ตนประกอบนั้นย่อมลดล่วงสําเร็จได้ด้วยอาการอันงดงามที่สุดประโยชน์ที่มุ่งไว้ ผลที่เรามุ่งหมายไว้ก็ย่อมจะเกิดมีขึ้นสมประสงค์อันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นปัญญาภะคือกําลังคือปัญญานะกําลังคือปัญญาฉะนั้นท่านนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจทั้งหลายนะเมื่อพูดถึงเรื่องกํนะาลังห้าหรือว่าธรรมที่เป็นกําลังก็คือได้แก่ศรัทธาพภะนะกาลังคือศรัทธาฉะนั้นศรัทธานี้ ย่อมจะมีอกุศลแธรรมเป็นค่าศึกนะศรัทธาศรัทธานี่เป็นค่าศึกกับอสัตธยะคือความไม่เชื่อนะคนเราถ้าหากไม่เชื่อแล้วก็มันก็ไม่มีสิ่งจูงใจในการประกอบอกิจการงานต่างๆนะฉะนั้นอสัตถียะคือความไม่เชื่อเนี่ยเป็นค่าศึกอันสําคัญแก่ตัวศรัทธานะประการที่สองวิริยะนะมีค่าศึกก็คือตัวโกสศชะคือความเกียดคราบคนเรา มีวิริยะก็คือทําให้แกล้วกล้านะทำให้ขยันแต่เมื่อไม่แกล้วกล้าไม่ขยันแล้วก็คือตัวโกสัจฉ์คือความเกียดคร้านความเบื่อหน่ายนะไม่อยากจะทําอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้าศึกเป็นอุปสรรคแก่วิริยะนะมาในข้อที่สมสติเป็นข้าศึกแก่ประมาทะคือความเลินเล่อความเผลอตัวฉะนั้นถ้าหากว่าคนเราประมาทแล้วแน่นอนที่สุดกําลังคือสติก็ย่อมจะหมดไปตัวสมาธิ นั้นก็มีค่าเสกก็คือตัวอุททัตจักคือความความฟุ้งซ่านลาคาญใจถ้าคนเรามีความฟุ้งซ่านําคาญใจแล้วกาลังคือสมาธิก็จะหมดไปประการสุดท้ายก็คือปัญญาภละกําลังคือปัญญามีค่าเสกก็คืออายณนะคือความโง่เขลาวความไม่รู้าตามความเป็นจริงอันนี้แหละทําใหเา้เมื่อเราไม่รู้ก็ทําเป็นการทําให้เราปัญญาไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดทําทุกสิ่งทุกอย่างก็ขาดเหตุขาดผลนั่นเองเอในการที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง พละทำเป็นกำลังห้าอย่างก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องนิวรห้านิวรห้านิวรก็คือทำอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีเรียกว่านิวรมีห้าอย่างคือหนึ่งพอใจรักใครในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้น เรียกว่าการมฉันทะสองปองร้ายผู้อื่นเรียกว่าพยาบาทสามความมีจิตหดถูเคริ่เคลิ่มเรียกว่าถีนมิทธะข้อสี่ความฟุ้งซ่านรำคาญใจเรียกว่าอุททะกุกุจะข้อห้าความลังเลสงสัยไม่ตกลงได้เรียกว่าวิจิกิจฉาทั้งห้าข้อนี่แหละเรียกว่านิวรห้า คำว่านิวรแปลว่าทําเป็นเครื่องกั้นโดยอาจก็ได้แก่ทำอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณงามความดีคือไม่เป็นอันที่จะประกอบความดีด้วยอำนาจธรรมเหล่านั้นเข้ามากีดกันเสียเข้ามากีดกันเสี ย, าาสยฉะนั้นทำห้าอย่างเรียกว่านิวรนั้นเพราะเป็นทาเครื่องกั้นจิตไว้ไม่ให้บรรลุคุณงามความดีนั่นเอง คำว่าความดีในที่นี้ในทางโลกหมายเอาความดีทั่วๆวไปที่บุคคลจะพึงได้จะพึงถึงเช่นว่าบุคคลได้มีศิละปะวิทยาการต่างๆนะหรือว่าได้ประกอบอกิจการงานที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าเป็นสัมมาชีพนะเป็นสัมมาชีพอัอนนี้แหละเป็นความดีแต่ในทางธรรมท่านหมายถึงเอาอคนที่มีคุณธรรมนะมีคุณธรรม ตั้งแต่มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือยิ่งไปกว่านั้นก็หมายถึงว่าเอาถึงขั้นชานเนี่ยเรียกว่าเป็นความดีทีนี้นิวรห้าก็มีลักษณะต่างกันนะกามาฉันทะก็ทำให้เราหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ที่ชอบใจพยาบาทก็ทาให้เราคิดทำลายล้างผลาญถีนมิทะก็ทำให้เกิดความท้อแท้หดถูอุตธสจกูกุจะก็ทาให้เกิดความคิดพลานอ่าุ้งซ่านะา น, นะจับจด วิจิกิจฉาก็คือทําให้ลังเล ส, สงสัยตัดสินใจไม่ได้นะฉะนั้นอในนิวรณ์ห้าแน่นอนที่สุดในข้อแรกที่บอกว่าการมาฉันทะนะคือความพอใจในการนะในความที่เราเกิดความพอใจในกามเนี่ยเกิดมาจากสุภาพนิมิตคือเราเรากําหนดหมายว่าสวยงามเมื่อเรากําหนดหมายว่าสวยงามแน่นอนที่สุดมันก็เกิดความพอใจนะ เกิดความพอใจเกิดความรักขึ้นคนที่เกิดความรักนี่เพราะเกิดความพอใจบุคคลผู้มีกรมวัชันทะเป็นเจ้าเรือนมักรักสวยรักงามมักรักสวยรักงามฉะนั้นคนที่รักสวยรักงามก็คือว่าคนที่ติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสนะติดในรสติดในสัมผัสอทุกสิ่งทุกอย่างอนี่แหละเรียกว่าเป็นคนที่ มีกามฉันทะนะเป็นคนที่มีกามฉันทะและยิ่งไปกว่านั้นคนที่มีกามฉันทะอยู่ในใจแน่นอนที่สุดก็ย่อมจะทำให้ใจนั้นเรียกว่าเกิดความฟุ้งซ่านนะเกิดความฟุ้งซ่านอยากทำอะไรตามที่ตนปรารถนาถ้าหากว่าตนได้เห็นรูปเสียงเป็นรถ เ, เป็นสิ่งที่พอใจ ก็เรียกว่าเราประสบกับอิทถารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาอารมณ์ที่น่าพอใจแต่ถ้าหากว่าเราประสบกับอารมเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่เราไม่พอใจก็เป็นอนิถารมเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเมื่อเราได้ประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาแน่นอนที่สุดทำให้เรานั้นเกิดโทสะคือไม่อยากได้อยากจะผลักให้มันออกไปอยากจะทำร้ายให้มันออกไป นี่แหละคือตัวตัวอารมณ์ที่มากระทบะกับเราที่มากระทบใจของเราถ้าเกิดอารมณ์ที่ดีนะสวยงามก็ทําให้เราเกิดราคะเกิดความกําหนัดเกิดยินดีเกิดความพอใจเห็นเสียงดีเราก็เกิดความพอใจเกลิ่นดีเราก็เกิดความพอใจอรสดีเราก็เกิดความพอใจ มีการสัมผัสดีเย็นร้อนอ่อนแข็งเราก็เกิดความพอใจแน่นอนที่สุดในความพอใจนี่แหละคือตัวกำหนัดเนือความพอใจในกามท่านบอกว่าคนที่มีความพอใจในกามนี่เปรียบเหมือนน้าที่เจือไปด้วยสีต่างๆนะใจของคนนั้นเปรียบเหมือนน้าที่เจือไปด้วยสีต่างๆหมายความว่าไงก็คือว่าเราเอาน้ำนี้มาใส่แก้วเอาน้ำฝนมาใส่ในแก้วนะ เราเอาอะไรใส่ลงไปเราก็มองเห็นเอาลูกเอาลูกแก้วใสไปในแก้วเราก็มองเห็นเอาปลาใส่ไปเราก็มองเห็นเอาเหรียญใส่ไปเราก็มองเห็นเพราะอะไรก็เพราะน้ําใส่าใจคนเราเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีนิวรณ์ห้าครอบงำแล้วใจมันก็สดใสรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่หลอนไม่หลอกไม่ปลอมไม่แปลแต่ถ้าหากว่าเรามีความรักเกิดขึ้นในใจเท่านั้นแหละ รู้สึกว่าน้ํานั้นมันก็กลายเป็นน้ําขุ่นเหมือนกับว่าน้ําเจือด้วยสีต่างๆเอาสีแดงสีเหลืองสีเขียวใส่ลงไปในแก้วน้ําฝนนั้นน้ํานั้นก็จะกลายเป็นน้ําดําทันทีเมื่อมันเป็นน้ําดําแล้วเอาอะไรใส่ไปเราก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเอาเหรียญใส่ไปก็มองไม่เห็นเอาปลาใส่ไปก็มองไม่เห็นนะเพร อ, อาจจะตายเสียก็ได้ฉะนั้นคนเราเหมือนกันเมื่อโกความรักครอบงําหรือว่าตก เป็นธาตุของความรักแล้วแน่นอนที่สุดก็กลายเป็นคนตามบอกคนโบราณจึงบอกว่าความรักมักทําให้ตาบอดแต่ว่าคนรุ่นหลังคิดไม่ถึงอคิดไม่ถึงคนเราเมื่อตกอยู่ในความรักแล้วก็มักจะทําอะไรตามอําเภอใจตามสิ่งที่ตนคิดเห็นว่าดีนะอยากรู้อยากทดลอง อ, อยากแสดงออกก็ทําไปตามที่ตนนึกคิดอย่างนั้นอันนี้แหละจึงเกิดความผิดพลาดนะเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทําให้ต้อง มีการฉุดค่าอาจารย์ฉกชิงวิ่ ง, งราวกันประหัตประหารกันเพราะเกี่ยวจากเรื่องรูปเสียงขลิ่นรถมิใช่น้อยอมิใช่น้อยฉะนั้นนี่แหละไอ้ความรักมันเกิดขึ้นจากอจากว่าเราเกิดความพอใจเรียกว่าสุภานิมิตเคอเห็นอารมณ์ว่างามเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นสวยงามเป็นเรื่องดีไปหมดก็เกิดความพอใจฉะนั้นสิ่งนี้เราจะแก้ก็คือว่าต้องเจริญอสุภะ ต้องเจริญอสุภะก็คือว่าพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สวยไม่งามนะไม่สวยไม่งามฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนโยบายที่พระพุทธองค์ได้ให้พุทธบริษัทนี้ได้พิจารณาอสุภะกรรมฐานคือพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามหรือให้พิจารณาซากศพที่ตายแล้วในหนึ่งชั่วโมง หรือว่าตายแล้วในหนึ่งวันตายแล้วสามวันเจ็ดวัน10บวันนี่จะเห็นว่าซากศพนั้นมีอาการเปลี่ยนแปลงไปนะจากที่ใหม่ๆก็อาจจะซีดไปแล้วก็มีการเขียวคล้ำเดี๋ยวมันก็อืดขึ้นพองแล้วก็มีนอนชัยอะไรงี่เขาก็นำเหลืองไหลเยิ้มนะอันนี้ก็จะทำให้เรานั้นเกิดความเบื่อหน่ายนะเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารในรูปนั้น และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าให้เรานั้นเจริญกายยคตาสติคือพิจารณาร่างกายที่ยังเป็นให้เห็นเป็นของนาเกลยดเป็นของโศโครตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังหรือให้เราพิจารณาเข้าไปในกายว่าภายในร่างกายของเรานี้มันเป็นภาชนะเหมือนกับภาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดนใส่ของไม่สะอาดอันนี้ถ้าหากว่าเราได้ไปเห็นในแพทย์เขาผ่าตัดตำรงพยาบาลจะเห็นว่า เวลาเขาผ่านในช่วงทองนี้เขาก็จะเอาตับไตใส่พุงดีเสเลตน้องเลือดมามาน้ำอะไรนี่ออกมากองไว้ข้างนอกหมดเลยแล้วก็เหม็นคาวที่สุดเลยนะเหม็นคาวมากนี่อันนี้แหละถ้าเราได้พิจารณาแล้วเราจะมีจิตเนี่ยหดถูนะไอความรักไม่มีไอที่เรามีความรักจะหมดไปทันทีแล้วจะมีกลิ่นเหม็นคาวมากเหม็นคาวเลือดมันเหม็นสาบเหม็นสางอย่างไรบอกไม่ถูกนะอันนี้ก็อาตมาได้เคยไปดูนะที่หมอเขา ผ่าตัดแล้วก็มีนักเกรยียนนักศึกษามาเรียนรู้ด้วยอะไรอย่างเนี้ยฉะนั้นก็จ <c oughs> ึงมาคิดว่าคนที่ได้อุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลเพื่อให้ในแพทย์ให้นักศึกษาแพทย์เขาได้ศึกษาหาความรู้จากร่างกายเพื่อเอามาปฏิบัติกับพวกประชาชนชาวเมืองของเรานี่รู้สึกว่ามีประโยชน์มากการให้ชีวิตในการศึกษานี่ถือว่าให้ของสูงให้ดวงตาก็ถือว่าให้ของสูง แต่ว่าคนโบราณของเราหรือว่าคนเก่าๆนี่รู้สึกจะกลัวไม่อยากจะมอบซากศพให้โรงพยาบาลไม่อยากจะมอบดวงตาให้โรงพยาบาลกลัวว่าตายไปแล้วจะไม่ได้เกิดกลัวว่าเกิดแล้วเดี๋ยวตาจะโบบ้างนะอะไรทํานองนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากจะบริจาคอะไรทํานองนั้นฉะนั้นอันนี้แหละจึงเป็นความเข้าใจที่ผิดนะเป็นความเข้าใจที่ผิดคนเรานะั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป้ไดวงตา ม, มันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะ พอตายแล้วเดี๋ยวมันก็เปื่อยเน่าก็โผลพังหลุดกันไปทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้วะทุกส่วนหลุดกันไปจนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนี่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่มีตัวไม่มีตนนี่แหละมันเป็นหลักความจริงนะเป็นหลักความจริงในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้อพิจารณาสังขารคือร่างกายด้วยการเจริญอสุภะกรรมฐานอให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งาม มันก็ไปเป็นค่าสึกกับไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสวยงามอ่มันก็หมดไปนะก็หมดไปคนเราเมื่อเห็นว่าทุกอย่างไม่สวยงามแต่ก็รู้ว่าอันนั้นมันเป็นสภาวะธรรมอ่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปก็สักแต่ว่ารูปอเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสการสัมผัสก็เย็นร้อนอ่อนแข็งก็สักแต่ว่าสัมผัสนะเพราะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแน่นอนที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เป็นนาฬิกทุกขั้งวันตาก็จะทําให้เรานั้นมีความสบายใจนะทาให้เกิดความสบายใจไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่ต้องมีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความหมายของเรื่องอกา마ฉันทะนะกา마ฉันทะมาในข้อที่สองที่บอกว่าพยาบาทนะพยาบาทก็คือว่าบุคคลผู้พยาบาทเป็นเจ้าเรือนนะมักจะมีการโกรธขึงเครียด นะหรือว่าเปรียดชังนะเปรียดชังในคนที่มีความขึงเครียดเกลียดชังก็คือว่าบางทีก็มีความอิจฉาริษยาเขาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีนะไม่อยากให้คนอื่นได้ดีคนที่มีความพยาบาทเป็นเจ้าเรือนนี่ก็คือว่าใครทําอะไรไม่สบอารมณ์นิดหน่อยก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวเกลี้ยกล่อมนะเกลี้ยกล่อพวกนี้พวกใจร้อนนีนะนะ่มือไวใจเร็วนอมือไวใจเร็วปากว่ามือถึง นะฉะนั้นคนที่มีพยาบาดเป็นเจ้าเรือนนี่มีอารมณ์ร้อนรุนแรงมากพระพุทธองค์เนี่ยบอกว่าตัวพยาบาดนี้แหละคือเรียกว่าโทสักคิไฟคือโทสักนะมันเป็นไฟถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นกับผู้ใดมันก็ย่อมจะเผาจิตใจของผู้นั้นให้กระวนกระวายนะให้ผิดนาฏไปได้ให้ย่อยยับไปไดนะ้ฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าให้เดาวทุกคนนั้นจงระวังเกี่ยวกับเรื่องไฟภายในนะอย่าให้มันลุกขึ้น ถ้ามันลุกขึ้นแล้วก็มันก็มั ก, มกจะทําร้ายสิ่งที่อยู่ใกล้ๆสามีอยู่ใกล้ก็ทําร้ายสามีภรรยาอยู่ใกล้ก็ทํำร้ายภรรยาลูกหญิงลูกชายอยู่ใกล้ก็ทําร้ายลูกหญิงลูกชายถ้าไม่มีใครอยู่เลยก็ทําลายข้าวของนะบางครั้งก็กดเคลื่อนเอออะไรก็คล่อมคลามอเนี่ยทุกตุ้ยโตโอชาหมดนี่อันนี้เพราะเรื่องของอะไรเพราะเรื่องของโทสะเพราะเรื่องของความพยาบาทนั่นเองฉะนั้นเวลาพยาบาทเกิดขึ้นเนี่ยสังเกตดูสิ เมื่ไฟนี่มันเป็นตัวทําลายไฟมันไหม้ที่ไหนแล้วก็ทําลายที่นั่นไหม้ทั้งสิ่งของไหม้ทั้งคนจัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันรอ้อนฉะนั้นคนที่มีความพยาบาทเป็นเจ้าเรือนเป็นคนร้อนอยู่ตลอดเวลาใจร้อนแล้วใจร้อนนี่จะไปอาบน้ํามันก็ไม่หายอยู่ในห้องแอร์มันก็ไม่หายนจะลบไปเข้าร่มไม้ชายคามันก็ไม่หายไอ้ความร้อนที่เกิดจากดวงอาทิตย์เกิดจากไฟนั่นเราพอ หลบเข้าร่มไม้หรืออาบน้ํำนะหรือออกห่างหอกออกห่างจากดวงไฟหรือออกห่างจากกองไฟมันก็หายร้อนได้แต่ความร้อนใจที่เกิดอํานาจโดยความพยาบาทหรือเกิดอํานาจจากโทสะแล้วไม่หายมีทางเดียวก็คือว่าต้องใช้น้ําคือขันติเมตตาเข้าไปอาบต้องไปอาบน้ําคือขันติเมตตาอันนี้พอจะหายนะพอจะหายแต่นั้นในตัวพยาบาทที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เกิดขึ้นมาจากปฏิฆะนิมิตนะก็คือว่าเกิดความกระทบกระทั่งนกําหนดหมายเอาเป็นเรื่องคับแขนมใจนคับแขนมใจบางครั้งไอ้ความกระทบกระทั่งเนี่ยเกิดทางตาเกิดทางตาพอรู้สึกว่าพอมองเห็นกันในแหม่มันไม่ถูกถูกแคตาว่ามันไม่ถูกแคตาซะแล้วนี่แะไรก็าเรียกว่าเกิดปฏิฆะเกิดปฏิฆะนิมิตคือเกิดอารมณ์กระทบกระทั่งกันแล้วกระทบกระทั่งแห่งใจ เมื่อตัวเองไม่พอใจก็แสดงอาการต่างๆอาจจะกระฟัด ก, กระเฟียดหรืออาจจะพูดจาเสียดสีนะส่วนยเสียดสีหรืออาจจะแสดงอาการลุกขึ้นแสดงอาการวิกววิการต่างๆฉะนั้นเราจะเห็นคนที่มีความอาฆาตพยาบาทนี้แสดงกิริยาการที่ไม่สวยไม่งามนะฉะนั้นคนคนจะสวยงามนั้นในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายเอาถึงว่าเรือนร่างโรกร่า ง, ร, างร่างกาย อันนั้นหมายถึงว่าทางโลกแต่ในทางธรรมนั้นท่านหมายถึงว่าเอาคนที่มีความอดทนคือขันติคือไม่โกรธง่ายนะอดทนต่อการทําการงานาไม่หวาดหวัน่นต่อความเหนื่อยยากลําบากแดดลมฝนไม่อ่างว่าหนาวนักพร้อมนักอดทนต่อความเจ็บปวดป่วยไขยนะ้ไม่หลงละเมอไม่เป็นคนอ่อนแอไม่ขี้บน่นโดยพิจารณาว่าไม่ได้เจ็บปวดป่วยไขย้แต่เราคนอื่นก็เป็นเหมือนอย่างเราทางนั้นอก็นะจะทําให้สติธรรมะัญญะเกิดขึ้น มีความอดทน ต, ต, ต่ออารมณ์ที่ที่เราไม่พอใจนะที่อารมณ์ที่เราไม่พอใจไม่น่าปรารถนาเราเขาอดทนได้อันนี้ก็ทําให้เราไม่ลุกอํานาจแห่งความโกรธเพราะว่าคนที่ลุกอํานาจแห่งความโกรธนั้นแน่นอนที่สุดจะเป็นคนที่อยู่ไม่สุข k น, นอนก็ไม่สุตกตื่นก็ตื่นก็เป็นทุกข์หลับก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ นอนก็อาจจะฝันร้ายละเมอเพ้อพวกต่างๆนะดัะนั้นท่านจึงเปรียบว่าคนที่มีความพยาบาทเป็นเจ้าเรือนนี้ก็เปรียบเหมือนกับน้าที่กําลังเดือพนะดอพล่านน้ำที่กําลังเดือดพล่านนี้แน่นอนที่สุดเอาอะไรไปใส่เข้าใส่ลงไปในหม้อน้ำที่กําลังเดือดพล่านเราจะมองไม่เห็นนะเราจะมองไม่เห็นเพราะน้ามันกาลังเดือดมาก คนเหมือนกันถ้าเกิดความพยาบาทเกิดความอาฆาตเกิดความโกรธเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยมองไม่เห็นดีเห็นชั่วนะเมื่อมองไม่เห็นชั่วไม่เห็นดีเห็นชั่วก็ทําอะไรตามอําเภอใจก็พูดอะไรตามอําเภอใจนึกอยากพูดก็พูด อ, อนึกอยากทําก็ทํา อ, อพูดไปแล้วจึงมาคิดได้าภายหลังเออไม่น่าพูดเลยนะพูดไปแล้วก็เสียหายอมนี่ไม่น่าทําเลยนะทําไปแล้วก็เสียหายนี่ อันนี้มันก็มีได้อันนี้มันก็เกิดได้นะอันนี้ก็มีได้เกิดได้เหมือนกันฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักว่า้ความพยาบาทนี่มันเกิดมาจากการกระทบกระทั่งทางใจนะหรือบางคนกระทบกระทั่งจริงๆเดินเหยียบเท้ากันบ้างเดินชนไหล่กันบ้างแค่นั้นไม่พอใจซะแล้วเอามาเป็นเรื่องทะเละวิวาทเอามาเป็นเรื่องอตีชกต่อยกันประหัดประหารกันถึงกับ เสียชีวิตก็มนะีขับรถปาดหน้ากันบ้างนะเชียวกันบ้างถึงกันลงมาวางมวยกันบางทีก็ชักปืนก็มาเข็นฆ่ากันเลยอันนี้ก็จะมีให้เราได้ยินได้ฟังตามสถานีวิทยุหรือว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆ อ, นะอยู่บ่อยๆฉะนั้นเมื่อปัญหาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดเขาบอกว่าให้เราคุจเจริญเมตตากรุณามุทิตาพรหมวิหาร ทั้งสาประการนี้จะดัดจิตดัดใจให้กลับจากคิดร้ายกลายเป็นเกิดความรักเกิดความสงสารเกิดความยินดีได้นะฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงหมั่นเจริญข้อเมตตาจเจริญยังไงใครดา่าเราเร า, เราก็ไม่ดา่าตอบใครตีเราเราไม่ตีตอบใครรักของเราเราไม่รักตอบอเราไม่มีชาริษยาใครอโดยนึกว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการ ไม่จองเวร น, นะไม่จองเวรฉะนั้นในข้อนี้แหละเราจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะแคบใจแล้วถ้าเราลองพิจารณาดูว่าไอ้ความโกรธนี่นะในตัวพยาบาทนี่มันเหมือนกับไฟถ้าเราถือก้อนไฟไว้เนี่ยพยาถามว่ามันร้อนไหมทุกคนบอกร้อนเมื่อร้อนแล้วเราถือไว้ทําไมใช่เราท้กก็จะต้องรีบต้องละต้องวางอ่าแล้วโกรธก็เหมือนกันถ้าเมื่อเราโกรธที่นี่มันเผาใจเราเนะี่ยให้ร้อนให้กระวนกระวาย อยากจะด่ายอยากจะว่าอยากจะทําอะไรตามอําเภอใจนี่ทีนี้เมื่อเราพิจารณาอย น, นี้ว่ามันไม่ดีเมื่อไม่ดีแล้วเรา ท, ำทำําทําไมเราก็ไม่ควรทำํำ น, ะนี่เราก็ไม่ควรทํานี่แหละก็จะทําให้เรานั้นเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นได้นะฉะนั้นเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมีเมตตานะปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารนะไม่อยากให้เขาต้องมาได้รับทุกข์เดือดร้อนนะไม่อยากให้เขาจะต้องมาด่าเรา จะต้องเป็นเวรเป็นกรรมไม่อยากให้เขาต้องมาทุบตีเร า, เ, าเราควรจะแสดงความสงสารเขานะคิดสงสารเขาปรารถนาให้เขามีความสุขนะเรียกว่าแผ่เมตตาให้เขาเลยนะแผ่เมตตาให้เขาเลยการที่เราตั้งกระยาจิตแผ่เมตตาก็จะช่วยได้นะแผ่เมตตามีกรุณามีมุทิตายินดีอนะกับเขาเมื่อได้ดีไม่ฉิชาเสียเขาอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นมีความสบายใจมาในข้อที่สาม ข้อที่สามก็คือความที่มีจิตหดผูบเคลือบเคลิ้มที่เรียกว่าถีนามิทะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความง่วงเหงาหานอนนะถีนามิทะเนี่ยหรือความง่วงเหงาหานอนนี่เกิดมาจากอารติอารติก็คือความไม่ยินดีอความไม่เต็มใจก็คือกลายเป็นความเกียดคร้านความท้อทแท้นะความมัวเมาในอาหารอันนี้แหละทําให้ไม่เกิดความยินดีในการที่จะประพฤติ ธ, ธ ร, รมปฏิบัติธรรม ไม่เกิดความยินดีในการที่จะเรียนทำไม่เกิดความยินดีในการที่จะฟังเทศฟังธรรมหรือจะฟังคําสั่งสอนที่เป็นประโยชน์ที่เป็นมงคลทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นจึงบอกว่าตัวที่ทําลายาในการที่เราสร้างคุณงามความดีก็คือในข้อหนึ่งก็คือตัวง่วงเหงาห่าวนอนคืออารติคือความไม่พอใจเมื่อเราเกิดความไม่พอใจนะไม่ยินดีแล้วแน่นอนที่สุด คนเราถ้าหากว่าถูกความไม่ยินดีหรือความง่วงเหงาเหานอนเป็นเจ้าเรือนก็มักจะท้อแท้ในกิจที่ทำคําที่พูดอันนี้ก็ควรเจริญอนุสติกรรมฐานคือพิจารณาความดีของตนบ้างพิจารณาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เพื่อให้มีแก่ใจเพื่อให้มีแก่ใจหรือว่าเพื่อทําใจให้เกิดความอุตสาหะพยายามก็จะเป็นอุบายแก้ตัวถิญญะ นะแต่ว่าผินะ่ะมิถะคือความง่วงเหงาเหานอนนะเมื่อเราใช้ความนึกกว้างกว้างก็จะเป็นทางแก้ได้นะทําให้เรานี้หายจากความง่วงเหงาเหานอนได้หายจากจิตที่สลดทอดูได้นะฉะนั้นขอให้เราทุกคนได้ได้นึกถึงว่าตนนั้นก็ได้เคยทําคุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็พิจารณาถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ก็จะทําให้เรานั้นเกิด อุบายหายง่วงนอนได้นะหายง่วงเหงาได้นะหายจิตหดหูได้นะนี่เป็นข้อข้อที่สามฉะนั้นคนที่ถูกถีนมิทธะครอบงำท่านเปรียบเหมือนกับน้ําที่เต็มไปด้วยจอกแหนคือน้นําในบ่อในสระนะั้นถ้ามันมีจอกมีแหนมากเร า, เอาอะไรเคลื่อนลงไปนะมันก็มองไม่เห็นถ้านะคนเราเมื่อตกอยู่ในความง่วงเหงาเหานอนหรือไม่พอใจอะไรไม่ยินดีอะไรแล้วแน่นอนที่สุดไม่รับรู้ที่จะ ฟังอะไรทั้งสิ้นนะแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ซักแ่ปานใดตนเองก็ไม่พอใจไม่ปรารถนาเพราะตนเองไม่ยินดีซะแล้วนะคนเราถ้ามีความไม่ยินดีอยู่ในใจไอ้บุญกุศลต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้นะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตนเองนั้นปิดไปหมดแล้วกั้นไ้หมดแล้วฉะนั้นนี่แหละจึงเป็นธรรมข้อหนึ่งที่ปิดกั้นไม่ให้เราบรรลุคุณงามความดีนะบรรลุคุณงามความดีท่านลองนึกดูสิ บางครั้งเราห่วงนอนมากๆในะขอประธานโทษเอะเคยก่อนนอนนี่กราบพระไหวพ้พระแต่พอถึงคำง่วงจริงๆบางครั้งแค่จะกราบพระสามทีก็ยังยากนะก็ยังยากนะที่ยากเพราะอะไรอนะก็เพราะมันห่วงซะจนเป็นประดาษผลที่สุดก็เคยนอนกราบเอาเลยนี่นะนอนกราบเอาเลยอย่างนี้ก็มีไม่ใช่น้อยนะอย่างนี้ก็มีไม่ใช่น้อยฉะนั้นอจึงจะเห็นมีอยู่บ่อยๆว่า คนเราน้ำตาหากว่าถูกขีนมิทธะครอบทำแล้วก็มักจะง่วงเหงาเห้านอนไม่ยินดียินร้ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะอันนี้ก็ขอฝากท่านนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายไว้เป็นข้อคิดในข้อที่สี่นะในข้อที่สี่ก็คือว่าความฟุ้งซ่านลำคัญใจนะได้แก่ตัวอุทธัจจกุกุจจักนะอุทธัจจกุกุจจคือความฟุ้งซ่านลาคาญใจ คนเมื่อมีความฟุ้งซ่านลาคันใจแล้วแน่นอนที่สุดจะทําอะไรมันก็ทําให้กระวนกระวายเกิดวิตกวิจารณ์ณนะอันนี้มันเกิดมาจากเจตโสอาวุปสมะนะหมายถึงว่าเจตโสอาวุปสมะคือความไม่เข้าไปสงบแห่งใจอ่านะก็คือมีใจไม่เข้าไปสงบนั่นเองคนที่มีความฟุ้งซ่านก็คือคนที่ไม่สงบนะคนที่ไม่สงบแน่นอนที่สุด อบุคคลผู้มีอุทจักก็ดีมีกุกุจักก็ดีเป็นเจ้าเรือนควรเพ่งกสินนะเพ่งกสินเพื่อผูกใจไว้ให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวหรือเจริญกรรมฐานอันจะให้ใจอขดหูหรือเกิดความสังเวชก็คือให้เจริญมรณสตินึกถึงความตายคนเราพอนึกถึงความตายแค่ น, นั้นรู้สึกว่าใจมันจะหยุดหยุดคึกหยุดขนองนะหยุดคลึกหยุดขนองเรียกว่าหยุดรอดผลได้แล้วนะ แต่ถ้าหากว่าเราไม่นึกถึงความตายนี่รู้สึกว่าใจมันจะคลึกขนองเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญใจจนควบคุมไม่อยู่นะเกียร์คันไม่อยากจะทำอะไรนะไม่เป็นอันนั่งไม่เป็นอันนอนมันรู้สึกว่าใจของเรานี่มันมีคลื่นไปหมดนะเพราะนั้นเขาจึงบอกว่าท่านเปรียบว่าใจของคนมีอุทธจธักขุกุจากความฟุ้งซ่านรำคาญใจนี้เปรียบกับน้าทะเลที่มีคลื่น นะเปรียบเหมือนน้าทะเลที่มีคลื่นไ อ, ไอ้น้ําทะเลนั่นถ้ามันมีคลื่นแล้วมันก็ไม่ราบเรียบใจคนเราเหมือนกันมีคลื่นคือความฟุ้งซ่านลำแขนมันก็ไม่เรียบนะเหมือนกับถนนลูกรังนะ่ะมันเป็นคลื่นนะมันเป็นคลื่นเรานั่งยวดยานพาหนะไปมันก็อกระโดกกระเดกมันขรุขระมันไม่ราบเรียบนะชีวิตของเราเหมือนกันถ้าหากว่ามีความฟุ้งซ่านนําความใจเกิดความ ไม่สงบใจเกิดความเกลียดคราสอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เป็นจิตใจที่เศร้าหมองนะจิตใจที่เศร้าหมองเมื่อจิตใจที่เศร้าหมองมันไม่ผ่องแผ้วเพราะมันมีเมฆมันมีหมอกอเพียงทุลีคือพวกกิเลสตัณหามาเคลือบครุมจิตใจก็ทําให้เรานั้นไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนะไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วแน่นอนที่สุดนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ปิดกั้น ข้อหนึ่งที่ทำให้เราไม่บรรลุในคุณงามความดีนะทาให้เราไม่บรรลุคุณงามความดีฉะนั้นเราจะต้องแก้แก้ความฟุ้งซ่านํำคาญใจด้วยการเพ่งกะสินนะเพ่งกระสินจะเป็นธาตุดินพิจารณาพวกดินน้ำไฟลมอะไรก็แล้วแต่นะเช่นว่าพิจารณาว่าปัทวีกสินัง่งปัทวีกสินัง่งนะนะเอาดินมาเป็นดวงกะสิน แล้วก็จะทําให้ใจของเรานั้นสงบได้นะหรือว่าให้นึกถึงความตายใจของเราก็สงบได้อ น, ะนี่ก็เป็นทางเกิดทางแก้ซึ่งได้บอกให้นักเรียนนักศึกษาได้รับรู้เอาไว้มาในข้อสุดท้ายก็คือตัววิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ตกลงไม่ได้นะไอ้ความลังเลสงสัยนี่มันเกิดจากอโยนิโสมนสิการคือการไม่ทําใจไว้โดยแยกคายนะไม่ทําใจไว้โดยแยกคาย บคุคคลผู้มีวิจิตรฉาเป็นเจ้าเรือนก็ควรจเจริญือนควรจเจริญกรรมฐานหรือวิปัสนากรรมฐานเพื่อกำหนดให้รู้สภาวะธรรมที่เป็นอยู่นะกำหนดอะไรกำหนดธาตุสีนั่นเองนะกำหนดธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้แหละจะทําให้รู้เท่าทันต่อสภาวะธรรมเมื่อเรารู้เท่าทันต่อสภาวะธรรมแล้วแน่นอนที่สุดเราก็ไม่มีตัวอวิชชาคือความลังเลสงสัยก็จะหมดไปคนที่ ตกอยู่ในอวิจิกิจฉาคือมีความสงสัยเป็นเจ้าเรือนหรือครอบคุมจิตใจแล้วก็เหมือนกับน้ําที่เต็มไปด้วยโคลนตม้มไอน้ําที่เต็มไปด้วยโคลนตมแน่นอนที่สุดเราจะมาเอารับเราจะมาดื่มอะไรมันก็ไม่ได้จะ อ, อะไรใส่ลงไปมันก็มองไม่เห็นมันมืดไปหมดคนที่มีวิจิกิจฉาเป็นเจ้าเรือนเหมือนกันมันมืดไปหมดเลยไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วมันเห็นไม่ชัดนะมันเห็นลางๆหรืออาไม่เห็นเลย นะไม่เห็นเลยอันนี้แหละจึงทำให้เรานี้ตัวติดพราติดชาติต้องเวียนว่ายตายเกิดดีมากตัววิจิกิจฉานี้ฉะนั้นในทางที่เร า, เาแก้ได้ก็คือว่าเราจะต้องอแก้ด้วยการ เ, าเจริญกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีโดยพิจารณาธาตุสี่ให้รู้ตามสภาวะว่าเดินน้ำไฟลมนี่เมื่อประชุมกันเข้าก็เป็นสังขารแต่เมื่อแยกกันไปสังขาร น, นั้นก็แตกไปนะแตกไปอยู่ไม่ได้ สำคัญคือร่างกายนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนนะเมื่อมันยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดกันไปฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนเราก็จะพ้นจากความวิจิตรฉาพ้นจากตัวอวิชชาก็จะทําให้เรานั้นมีวิชชานะคือความรู้ความเข้าใจ ทุกสียงทุกอย่างตามความเป็นจริงฉะนั้นในการพูดเกี่ยวกับเรื่องนิวรห้าธรรมอันกั้นจิตแม่วันลุกคุณงามความดีก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร